เมื่อคืนใครไปไปสวนใหม่ไปไปปีกวิเวกเปลี่ยนสถานที่ปีกวิเวกโมเมนต์ที่ไปยู่วัดไม่ห่างจากหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอผะมาจบเลยหัวเขา่ไต้มกาแฟกินมดขึ้นอะไรได้กินคุยกันเข้าใจไหม อยู่ไก่ลงพ่อจับไฟมันมันหอนบอ่ไปไก่ลงพ่อก็ล่องล่องจับนูนมันหอนบอ่นหอนกี่เงานะเนา่ะเนี่ยมันบอดีเจะไปหาเห็ดขันปไ ด, ด้เห็ดเนี่ยวอดียู่ไกล่ลงพ่อก็หอนอยู่ไก่ลงพ่อก็หอนแค่ ย, ยังหมาบักกาแฟกับบักแบกกันเห็นมั้ไปอยู่วัดใหม่ออกไปเที่ยวคอนเขาก็กนําวะใช่ไหมเสียงลงไปมะคงจะเค็ดแล้วมั้ง หมาก็าเหมือนกันนั่นแหละสมัยก่อนหมาของเราเลี้ยงอยู่ในวัดของเห่าเนี่ยมันบอออกนอกวัดได้อยู่ในวัดปาร์มี้ไ้ฮิตเลอร์ไอ้เกเร่ไงบ้าโยนีแล้วมันชอบออกไปเที่ยวบไานออกไปเที่ยวห้องเราวายไปหน่อยเอาไปไปห้วยซวกว่ะ หมาท่มันนิสัยบุรีมันพาหมูเกเล่ได้นงวะพ่อไปบ้านหอยสวกประเด็ดพ่อไปหอดันโอ้ใจแตกเลยบ้านีลยไปตะพุตตเพือ่อหมาก็ใจแตกเป็นขี้กันได้หนีเตลิดเปิดเปิงช่วยจะไปหาจับมาได้กัพ่อแห้งวัอกไปพ่อจับมาแล้ววัดแย่งหนีเตลิดเปิดเปิงเียวนไปใจแตกกว่าหน้าไปมันคือถอดสงสัยจะคือถอดหน้าคำหน่อยเฮ้ามัง้ง วาแต่ท่า น, น, ทนหน่อยก็เลยกลับมาทรงวนันออกไปกลับมาทรงโหาเป็นมา้าเป็นม้าหูผู้ดีได้บาดเนี่ยเชยอยู่กับวัดกับว่าเท้าก็โอ้หมาตัวนึงดีแลว้วไอ้บาดเนี่ยเอาไปทรามานมันมาดีแล้ววะพอมาอยู่อีกนา่นนันบาดเนี่ยโอ้ยแห้งหายก็เก้า ว, วาดเนี่อคือเกิดขับคน น, น เ, ค เ, เอาลงไปยับไปเข<อ>่าคคกเราเห็นโทษลงไป กลับมาบ้านดีขึ้นมาในชั่วระยะหนึ่งบาดทาออกจากบาทะเนี่ยหายจากค้อมดีบาดเนี่ยนะโอ้ยเลิดเปิดเปิงเลยมันออกไปบาดเนเอาหมามาเลี้ยงในวัดของเขาเนี่ยทั้งหมาลางังหมาไท่กันอไปเอามาเลี้ยงเนี่ยตัวนี้เราพาออกบ้านนี่ย เ, เป็นนักเลงพาออกเที่ยวค่ออไปพุ่นอ อ, อกนอกวัดพุ่น ตัวนี้เนะี่ย้าออกกว่านบะักฮิตเลอร์เนยะปากใหญ่ปากกว้างเนะี่มาฮิตเลอร์มาเขาเอืนพันอย่างอนะ่ะปวดที่ชุเดเกิดรถตู้ช่อนเนะียรถตูท้ทางนอกวัดนะช่อนเนยะหยียบตายทาตายนอกวัดแล่นะมาฮิตเลอร์อันเดีกันนี่แหละลูกซิดฮิตเลอร์ก็บมี่นะ่ะกาแฟกับกแบกไงเนะี่ยน้ํากดฮิตเลอร์ลงพ อ, อยังไง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 พวกในภาพเป็นนักเลงมนออกไปมันพาออกไปทางนอกไปเที่ยวทางนอกพวกที่มาเรียงไม้ก็รที่ออกไปทางนอกคือเกาบาลเลอหมามันก็ขึ้นกันเนี่อมันก็อเสิอวาน่าขึ้นกันอ่ะอสิอวาน่าจะพาล่านั่งบัณฑิตานั่นจะเสวนามันครบลูกพี่มันบดีมันก็ไปทางบดีขึ้นกัน ออกทะเลถลัยที่กัดแต่รุ่นกรอบนบุมีเลยรุนกรอนอ่ะบุมีมันเลี้ยงอยู่เนี่ยอยู่ในวัดตลอดไ อ, ไอ้จิ๊โก้ไอ้ไทเกอรนะ์พวกนั้นอยู่วัดแล้วก็ตัวมากเอยู่วัดแต่รุ่นนี้เนะี่ยแต่หิตเลอ่อผ้าออกไปเนะี่ยตัวอีหิตเลอ่อผ้าไปนะมันก็เลยทะเลถลัยทต้องกัน แั้งที่ออกเขาลงเลียนเลยหมารุ่นนี่หมาที่เอาเข่าลงเลี้ยนเลยลงเรียนนะเร้ยนต่อชดอลงพอมัดไปหลายกันนะ้นเลยเอาหมาเข่าลงเลียนนะแต่มันก็ดีอยู่เนีย่ยมันบ ก, กเกลีนนะ่ยไปโนมันก็หุ่นจักความอยู่แั่นีามันกเกลีนนะ่ยมัย่อฟั่งไปเนะอยุดไอ้แบกยดุดไอ้บ็อกก็แสดงว่ามันโบยุดเลยแล้วนาะโบฟั่งเลนะ้วะเนาะ มึงจะออกไปมันก็บอกฟังนะมันเกเร่ไอ้เนีก็ช่วยๆกันเบงนะิงหน้าทั้งหมาไอ้บอกไอ้แบกอยู่ทังหน้ายุง่งสวนไม้ช่วยๆเบงิงๆบงแล้วก็พร้อมกันก็จะไปให้อาหารพวกหมาหมาข้าเจ้าที่มาอยู่น้าพันเอาให้เขาพอดีเด้เอาอาหารให้หมาข้าเจ้าเดี๋ยว เหมือนกับเห่าไปหล่อให้หมากรเจ้ามาอยู่น้าเห่าเจ้าของเขาจะเสียใจเสียความดุริศขึ้นกันน่มเมนต์ท่องจีมีตาเมตตาเห็นหมาเขามาก อ, ะอ่ะเขาอาหารในกินมันกระบาได้เพราะมันกินแล้วมันติดเห่าบะเนี้ยพอติดเห่ามันมายอมกรับบ้านเขาบางที่เป็นหมาของเขาเห่าไปเลี้ยงไว้ตอนนี้เห่าก็ต้องคิดขึ้นกันน่ะ บอเมเนจีมาจะมีติเมตตา้งหมดตั้งก็บอเมเนไปเลี้ยงหม้าเขาไหวไปเลี้ยงไก่เขาไหวไปเลี้ยงสัตว์เขาไหวสัตว์ตเขามีเจ้าของเข้าอย่าไปหาเลี้ยงถึงนั่นก็ให็นลาออกสักกอนถามมันอาหารมันเหลืออะไรเอ๋อก็ะุดแทะแต่เบนเสียแต่เจ้าของเขาก็บว่ายอย่งเ อ, อื๋อกระบอกเจ้าของเข า, ำากำลังอหไรมันกินเนอหรือจีเลี้ยงให้มันกินเนอะ การเจ้าของเขาว่าวาเนี่ยกัอีกแนวหนะึ่งที่เจ้าของเขาเขาจะให้หมาเขาอยู่ในบ้านเดียวเห่ามันม่เลี่ยงไว้เดี๋ยวเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นพวกกูบาก็ต้องซอยเบิงขึ้นกันนะอันนี้เราบ้านไก่เลื่อนเคียงอย่าให้มีปัญหาไปอยู่ใสอย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหาครับบ้านไก่เลื่อนเคียงอมิยังกัเมตตาสงเคราะหน์นุเคราะห์กันช่วยเหลือเจือจานกัน มี่ยังก็จะได้พึงผ้าอาดไซกันต่อไปพ้าอีผ้ า, ผานานะมี่ยังมีแต่ทะเลาะวิวาทกันทั้งเมื่อตอนกระบะไดเลยการทะเลาะวิวาทกันมัแม่แนวดีกาเป็นภาเนี่ยแตกน้ลกอเวกีมาหมากต่อมากแต่หลวงพ่อได้อ่านศึกษาในพระไตรปิฎกนะพระโกกาเล็กหนะลวงพ่อกับกระบะมั่นใจขึ้นกันว่าแต่พระโกกาเล็ก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 ในพระไตรปิฎกเรื่มไรแต่พอมาอ่านรรมรทัทธตรกรานห็ว่าพระโกกาลิกดาอัคะสาวกดาพระโมคคลาดาพระสารีบุตรดูถูกพระอครสาวกพระโกกาลิกแผ่นดินแยกเปิ้นกขบอกเพียงเทนีในประไตรปิฎกแผ่นดินแยกแล้วก็ไปตกไปสู่นรก แต่ในะปไตยปีโตเกลีมอื่นหรือข้ออื่นเพื่อนกับโบาวาวา่าพระโกกาเล็คดาพระภิกษุดาพระมกขลาพระสาลีบุตรและขะแผ่นดินสูกกบกระบอพูดชัดเจนถึงขนาดนั้นมาแบบเพียงแต่ว่าแผ่นดินแยกแผ่นดินแยกกับเจมเป็นแผ่นดินสูบบนโท๊เป็นภาษาเห่ามันบอละอันนี้ก็เลยพงพ อ, งพองยังสงสัยอยังขนควาดูว่าเอมีอยู่บา้า พระในข้างพวกพุทธเจ้านี่ดาพระอาหารหันต์ในแผ่นดินแยกแผ่นดินสูบนี่ยมอยู่บอสแต่นันในพระไตรปิฎกในธรรมปฏิทักถาเพิ่นพูดเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็สงใสยอยู่แต่ น, นเพิ่นกระพูดไปอีกว่าพระโกกาลิกบาบทําบาปเพราะปากของตอนเองทําบาปกรรมเพราะปากตนเองดา ป, ปาหมาดปริพาดภิกษุสงฆ์และดาพระอาฆาสาวก ภาษาริบุตรพระโมกคลาตายแล้วไปสู่นรกพระพุทธเจ้าเพันวาเพลนยิ่ยินพระสงฆ์สนทนากันพระพุทธเจ้าพันก็เลยจะด็จมาบนศาลาที่สภาสภาภิกษุสนทนากันอยู่โนะไปพระพุทธเจ้าพวกเธอสนทนากันเรื่องยั้งพวกท่านทั้งหลายพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า พวกข้าพระ อ, องค์สนทนาการเรื่องพระโกกาลิกไปตกนรกเพราะปากของตนเองบงจักษ์บดซำร่วมปากแผ่นดินแยกแล้วก็ไปสู่กเวจีนรกพระพุทธเจ้าว่าพระโกกาลิกเนี่ยอทําบาปรู้ว่าตายเพราะปากบอมีแต่นในชาตินี้ในชาติก่อนก็เคยเหตุเคยทําแบบนี้แหละตายเพราะปาก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 เตาอยู่ในน้ำข่านปมเตียมต้มเตีย ม, ม, เ, ยม เ, เห็นกันเกือบผู้มือนะ่นพอไปกินท่านได้กัไปกินหากินเม็ดหญยาหากินปลากินอย่างในห น, นองน้ำเห็นเตาเตาตนนั้นขืนมาอานกหงนมทั้งสองนี่ก็เลยถามว่าเตาเจ้ายุ่นี่เคยไปใส่บ่อเตาบอก่ก็บ่ อ, อ, อ, อ, อแล้วก็อยู่ในสะนี่นะ่ะก็หากินแถวนี่แล้วอยู่ในสะจะไปใส ไปใส่เขาบ่กบมีน้องหน้าไปก็มันก็เสียงกระยุนนี่นี่หละเกิดนี่นี่ก็ะยุนนี่นี่เจ้าอยากทัศนะศึกษาบอกหน่อยเลยหงสองตัวถามวไปหงหนุ่มสองตัวนี่ยถามมั้เจ้าอยากไปหาเบอรหมองอื่นบอกเต่ า, ตาก็บอกว่าอยากไปยุนแล้วขั้นมี่ขั้นไปได้แต่เห็นใจมันไปบรายว่าไงป๋อขั้นเจ้าจะไปได้คอยจะหาวิธีการให้เจ้าไปได้ว่า่ง เออเอาไปไปกระไปเบอกว่าเดี๋ยวคอยจะหาใหม่ใหม่ไพ่มาแข็งแข่งแล้วให้เจ้าคาบทังกลางเนอะเดี๋ยวคอยเล่าสองตัวเนี่ยจะคาบสนใหม่สนไหม่ไพ่ผ้าเจ้าบินเจ้าต้องคาบให้แนนเด้เออเจ้าเสื่อมันได้ปากเจ้าบอเจ้าสิ่คาบแนนบอสเต่าหัวใจเออสันเออได้อเออสันเอ บาร์เน่กับหอดมือกันนกโขงกับหาไหม่ไพ่มากกาอไปขาบไหม่ไพ่มากก็คือว่ามันเน่นแข็งแรงน่ะเอ้บาร์เน่ไกเต้าข้าบพวกข้าวนกโขงก็ทดลองยกขึ้นเบิงกวน่อยไอนกบินบินยกขึ้นเบิงไก่ไปบอฮักกว่าหน่อยไหมบอฮักไปเนาะแต่เนี่ยไปเบิงบ้านไปเบิงธรรมไปเบิงธรรม อพวกเข้าอยู่ทําทําหงมันไปไปดูทําหงไปดูปดปดอสะอื่นเดี๋ยวจะพาทัศนศึกษาแ ต, ต, าาแตาไหนเต้าก็เออแตนมาให้เไิดเต้าคาบทั้งกลางไม่กันไปเต้าคาบกลางไม่ก็นกหงก็บคาบทั้งสองส่วนบินบินขึ้นอากาศเต้ขากโหดขาก็เฮ็ดโดโจดโจดโจดโจ ด, ด, ดไปมัอไ ขับาขาบกลางใหม่นกโขงกับบินขึ้นฟ้าบินบินผ่านไปกลุ่มพระราศีบ้านเนี่ยผ่านไปกลุ่มพระราสีเนี่ยมันเป็นบินต่ำในหงก็คงจะบินเพสูงอน่ยพวกคนทั้งหลายเห็นมันเด็กน้อยทั้งหลายเห็นเด็กน้อยกําลังเล่นอยู่อพอเห็นอยู่เด็กน้อยไปห้องใส่บ้านโต๊มือพ้อมันเอาไปเบิง้งเบิงโนเบิ้งโน้ท่าน เตาหามหงเตาหามหงมาเถอะเนียมันก็แม้นหรือมันก่อเตาหาผงมันนกไปใครข้าว่าเตาอยู่ทั้งก้างมันบว่ะหงมาอยู่ทั้งข้างอาจจะว่ามันหาก็แม้นมันออบไปบ้านเตาปนวังพอดยินีเด็กหน่อยหัวทางไตมันออกไปเด็กหน่อยมันบวอยอย่างว่าเถอะเนียกูจะว่าข้าหาผงไหนจังไหนหนึองหงหามเข้าไป นี่แมนเลยอันไหนจะว่าเ้าหาผงไหนจังไหนมลยบาดเเต่าตัวเดก็เลยอาปากซีวอลนู้นไปีวอลของเด็กนุอยทั้งไต่นนั้นพ่ออาปากขึ้นมาแต่นี้ยก็ลดถึงตัวบาดเนี่ยลดไม่ข้ามหามลงไปลดมันก็เรียวลีเรี่ยวลีแล้วมันตกใส่ก่างพลาดเต่าก็เลยหลังแตกขนาดตายพ่อเต่าลดถึงเหงหงก็ไปย า, ยามส่วนอยู่ได้วันนึงไปเพราะว่าหงนี่เอาเขามาาแล้ว มันต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่เดอกรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อจะบให้อันตรายเด็กแต่ว่าเทสยังไรได้ล่ะหงก็ช่วยเต็มที่ยุทธเตามันมันอยากปากเด็มันอยากพูดเด็กแม่เมื่อกลัดปากของลดปากหงก็ส่วนส่วนมันก็บริวูแล้วลิวลิวลีเพราะว่าตกปังลงจิตใอล่านเห็นล่านปูนของ กุ้งพระลานสีล้านอิดเนี่ยก็ปูอิดเน่ยเตาเลยหลังแตกก่กระเท่ากัมือนเห็นว่าเราเตามันแตกเป็นยุมน่มเป็นยุ่มเนาะเพราะมันตกมาเจอไปไม้พุ่นตะกูลมั่นก่าไปตะกูลเตาหลังแตกพระพุทธเจ้าพันว่านี่ยแหละเตาตัว น, นั้นมันตายพ่อปากเมื่อเกิดมา่อไเป็นโกกาลิกเนี่ยภิกษุนี่แหละถ้าหากว่าสำร่วมปากซะ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 เรื่องปากนั่นเป็นจริงที่ให้โทษทั้งให้คุ้นขั้นให้คุ้นก็คือปากดีเป็นเงินเป็นทองขัน้นปากเสียนเสียเงินเสียท่องเผอเพอ้พอติดคุกติดตะล่างถืกโทษประหารเป็นปา ร, ราชิกอีกต่างหากถ้าเป็นพระนะโอ้โทษนักขนาดนึ่หนักเลเรื่องปากมันม่เป็นธรรมดาได้ถึงถึงตายได้ถึงขาดจากการเป็นพระได้ เป็นเรื่องอยัง้งภิกษุอวดอุตริมนุษยธรรมคือทำมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาร่าชิกนะเนี่ยก็ใส่ปากเนะี่ยเราพูดตัวนี้ไปใส่ปากพูดขั้นใส่มือพูดใส่กักิริยาพูดทําเนี่ยมันบมีปลายหูเนี่ยต้องใส่ปากพูดแต่พอใส่ปากพูดเนะี่โทษขาดจการเป็นพระได้คือกันเพรานะน่ะเรื่องปากเนะ่ต้องสำรวมต้องระวัง นี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนาทั้งนี้ทั้งนั้นกันเป็นการบอกกล่าวกันเตือนกันทุกคนตั้งแต่หลวงพ่อนะ่ะเป็นตนไปหลวงพ่อแห่งเบาหลายแต่ละมือนะแต่ก็บอกเบาหลายปณินนรดาอกว่าไหวบ่แต่เนม่ยมือเศร้าตรงนี้แนหะกันเ่ยมวันพระกันนอกนั่นแต่นี้นะก็มีสัทธา ญ, ญาติโน ม, มาจากทางทินอืน่นก็ได้พูดได้กล่าวในนํเาเฮาเดียปฏิบัติมากจังไดย ลู่เห็นมั้งจังใดศีลธรรมของพระพุทธเจ้ า, นะออาเนี่ยคือยังนี่แหละกันเตือนบอกกล่าวกันเนี่ะให้ระวังปากเด้อจังสีแหละในพระไตรปิฎกพจนว่าจังซีเลยไอ้พระโกกาลิกเนี่ยเขาก็บเด็ศึกษาในพระไตรปิฎกแต่ว่าพจน์ก็ บ, บอกว่าพระกาโกการิกแผ่นดินแยกเนี่ยอันนี้เข้าก็ยังบดได้ยิในในพระไตรปิฎกที่ชัดเจนมาพระโกกาลิกเนี่ยดาพะาระอ克拉สาวกแล้ว ต, ตกอาวิธีมหานรกแห่นดินแยกอันนี้ห้าก็ยังพ่ะท่านเห็นชัดในประไตปิดกเหลี่ยมอื่นๆมันไปมีแต่อยู่ในพระธรรมมาปัตตะคาเปิด m o เพียงเท่านั้นนี่แหละอสรุปเลยก็คือให้ส้ำหลวมปากขันว่เป็นตาเบายาเวเบาคันเบาก็ต้องคิดสักก้อนพอแม่หลวมปากก็เว้าหลดนี่ประไตปิดกพ้นวางทันไหนเะพราะนั้น เป็นบทเรียนสำหรับพัวเข้าทั้งหลายขึ้นกันนะที่เขาได้ศึกษาได้ความรู้ความเมือฉลาดขึ้นมาได้กนนนะ็ต้องอาศัยการศึกษาสำหรับพรอนอนุโมทนาให้พรอน